เตรียมนั่งภ า, า, าวานาหัดภาวนาถ้าเราต้องการจะดีให้หัดภาวานานี่แหละมันเป็นงานที่ดีที่สุดเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตเราจะไปทำมาหากินหาเงินหาทองซักสมบัติอะไรต่างๆคือเสียงเกติยศเกจิคุณต่างๆเหล่านั้น มันก็หากดีหรอกแต่มันก็ดีอยู่เปเพียงอยู่ในหมู่คณะเท่านั้นดีอยู่แค่บนโลกนี้ดีอยู่แค่ในหมู่คณะเล็กๆเท่านั้นแหละนอกจากนั้นเราไม่มีอะไรจะดีจะดีแก่ตัวเองไปถึงี่มากน้อยทรัพย์สมบัติก็ดีเงินทองข้าวของอะไรต่างๆ แค่การสร้่งที่สุดร่างกายของเราเองที่เรารักนักหนาอะไรอเนจอร่อยก็ไปหามาให้มันกินหามาบำรุงเนี่ยบ้านช่องเรือนชานบ้านต้องที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆหามาจนชั่วชีวิตเป็นวัดเป็นเวรใ น, ในที่สุดมันให้ความสบายมันให้ความพอใจให้ความร่มเย็นแกเราสักเทไร ร่างกายของเรานี่มันแก่มันเท่าไปทุกวันทุกวันเรี่ยวแรงก่อท้อยลงโรคไข้ไข้เจ็บก่อชัดเจนขก็มากอย่างมากชินิดมากขึ้นเราจะไม่มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าความสนุกสนานอยู่ในร่างกายเนะี่ยมันัะกี่มากน้อยเท่าไหร่เดียวงานเหล่านั้นน่ยถ้าเทียบกับงานภาวนาแล้ว มันนิดเดียวเท่า น, นั้นหรอกมันให้ความสนุกสนานให้ความเพลิดเกินให้ความมัวเมาอยู่เรามีความถึกความพอใจอยู่นิดๆหน่อยๆเท่า น, นั้นแหละในชีวิตเนี่ยอีกไม่นานร่างกายนี่มันก็ไม่พาไม่เป็นตัวพาไปสู่ความสนุกอย่างนั้นอีกแล้วถึงจะมีสักชิ้นเงินทองมากเท่าไหร่มันก็ไม่สนุกแล้ว จิตใจเิจิตใจนี่เราฝึกฝนที่จิตใจของเราใจของเราก็มีอยู่ตั้งนานแล้วทั้งจะเกิดมาก็มีแล้วจิตก็มีใจก็มีมีอยู่ก้องมาคล้องกับร่งตายนั่นแหละแต่ว่าเรายังไม่ฝึกอันนี้ยังไม่ได้สุดมันจึงยังไม่ดีส่วนร่างกายเรานึกว่าดีนะะักหา ฝึกมาจะดีแล้วเข้มแข็งแข็งแรงบางทีก็พอเป็นหนุ่มเป็นาสาวก็สวยสดงดงามเข้นแข็งกระจับกระเฉงนั่นแล้วมันอยู่ได้นานเท่าไหร่ล่ ะ, ะไม่นานเท่าไหร่เลยที่บอกวัยเจ็ดิดแดติดนะเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วหกติดนะเดียวเดียวถึงแล้วเกษียณอายุไม่นานหรอกนี่นี่จิตใจเรานี่ยังไม่ได้ฝึกเลยทั้งหลายติดตีมาแล้ว ปลึก อ, อันนี้แหละดีทําไมจึงว่าดีขอราะว่าพระพุทธเจ้าคือเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดในโลกแลพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบอกไว้อย่างนั้นท่านบอกว่าสรรพสัพตว์ทั้งหลายนี่ไม่มีที่พึ่งหลอกนอกจากพึ่งจิตพึ่งใจพึ่งตนเท่านั้นแต่จิตใจของตนนี่จะพึ่งได้หรือไม่ได้ ก็อยู่ที่ตนของตนเองว่าตนจะฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มันแข็งแรงให้มันดีพอที่จะพึ่งได้ไหมพอจะหยดพึ่งได้ไหมใครใต้ดังครับว่าเขาให้ต้นไม้มาคนละต้นกล้าต้นไม้มาคนละต้นเนี่ยเดยมาปลูกเขาบอกว่าอีกช่วระยะเวลาหนึ่งเสือเสือ้อายมันจะ วิ่งมานี่ยมากัดเจออะไรมันกัดกินหมดให้เราปลูกต้นไม้เนี่ยขึ้นไว้สำหรับให้มันโตอย่าดีหนีหรืออะไรทีนี้พอูกเราเนี่ยใส่ต้นไม้มาคือจิตใจเนี่ยจะได้มาคนละจิตคนละใจเราได้ฝึกผลอบรมให้มันเข้มแข็งหรือไม่ที่จะพึ่งน่ยมีที่เดียวเท่านั้นเหมือนที่เขาให้ต้นไม้มาแหละ ที่จะพึ่งแะ่นี้เสือจะมาขบมากัดเอานะ่ะมีต้นไม้ต้นเดียวนั้นนั้นน่นะถ้าคนฉลาดก็รีบปลูกต้นไม้บำรุงต้นไม้นั้นด้วยดีมันก็โตทันการโตทันก็เสือวิ่งมาพอถึงเวลาเสือมันมาก็ก็ปีนหนีขึ้นไปอยู่บนนู้นมันก็พนเสือกัดมันก็พนไครจับเสือได้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละ ถ้าใครฝุกจิตสุดใจดีแล้วก็จะพ้นจับภัยที่ติดตามมาใัยที่ติดตามมาคืออะไรคือความแตกขาดแห่งชีวิตอินทรีย์คือร่างกายนี่มันจะตายมันจะแตกมันจะแยกสลายไปก็เรียกว่าตายมันจะติดตามมาถึงแล้วตอนจริงมันเกิดมานะั่ะตั้งแต่เกิดมานั่นแหละ ถ้าเราจะรีบฉลาดได้ตั้งแต่ น, นู้นตั้งใจฝึกฝนจิตใจนี่เชื่อฟังว่าพระพุทธเจ้าจะจะแต่แรกนู่นเพราะว่าไม่มีอะไรจะพึ่งได้นอกจากใจใจของเราฝึก ด, ดีแล้วยังถ้าฝึก ด, ดีแล้วจึงจะพึ่งได้ถ้าต้นไม้ต้นเล็กๆอยู่ยังไม่โตนี่เสือบินมาพอดีเราจะไปปีนที่ไหนมันไม่รอดหรอกที่ก็เหมือนกันจิตใจที่ไม่มีมมเรื่องมีแรง จะไม่พึ่งอะไรได้พอความแก่ความเจ็บความตายมายังไม่ถึงความตายมาโดยทั้งบัดก็เดือดร้อนเป็นวัตรเป็นเวรแล้วนั่นแหละใครมาถึงเข้าแล้วไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะพึ่งจะพิงไม่มีที่จะหลบจะหนีแล้วร่างกายไม่พึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายมันมีแต่โรคมันอยู่ในนั้นจะไปพึ่งได้ที่ไหนบางคนก็ยังคิด วาดวิมานไว้บอกว่าไปรปักษาที่โรงพยาบาลต้องหายหายแล้วเราจะแข็งแรงไม่ได้คิดกันอย่างนั้นนะพะพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลา ย, ายาลกุบายอาจารย์เราท่านก็บอกอยู่บอกว่าอันนั้นนะมันพึ่งไม่ได้ถึงหายตอนนี้มันก็กําลังจะซุดจะโสมต่อไปอยู่เรื่อยๆมันพึ่งไม่ได้อยู่แล้วก็ยังเป็นไฟไฟจะพึ่งอยู่นั่นแหะ ทางดีๆที่ท่านบอกว่าจะให้เพิ่มคือจิตใจของตนเองเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วมันมีอันเดียวนี่เราจะต้องฝึกใจนีถ้าเราเข้าใจอย่างนี้โดยไนยะที่ยกตัวอย่างนี้แล้วเราไม่ควรที่นี่นอนใจนะแต่ละวันเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปเนี่ยอย่าให้มันเสียเวลาไปเปล่าๆโดยไม่ได้ฝึกจัดในใจมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมา การฝึกวิธีฝึกมันก็มีอยู่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานีหลวงปู่ท่านยอดเป็นครูบาอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนท่านก็ให้วิธีการฝึกไว้อยู่จิตเราน่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้รู้จักแต่มือแต่แขนแต่ล่างท่านบอกจิตท่านบอกใจก็ะจะให้เรารู้จักจิตรู้จักใจจิตเราก็ไม่รู้ใจเราก็ไม่รู้ ก็เลยยกตัวอย่างว่าคนเราทาไมจิตไม่มีจิตไม่มีใจอื ค, คือคนตายนะพอจะรู้แล้วคนเนี้ยเออถ้าคนตายเนี้ยมันไม่มีจิตไม่มีใจจิตคืออะไรจิตคือผู้คิดผู้นึกสลวงปู่ทันวายอยู่นั้นใจคือผู้รู้คนเราถ้าไม่มีใจเนีน้ยนะมันคือคนตายคือผากศดถ้าอยู่นานหน่อยมันก็เน่า ถ้าอยู่ยังไม่นานมันยังไม่นานมันตายยังไม่นานก็ยังไม่เน่าพอมีครบทุกอย่างแต่ไม่มีใจถ้าไม่มีใจแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอไม่มีใจเท่านั้นน่ะไม่มีความหมายอะไรเลยร่างกายเนี่ยเหมือนก้อนดินเหมือนท่อนไม้ก่อนคืนที่เขาทิ้งคว้างอยู่ตามนั้นะไปหยิกมันก็ไม่เจ็บไปด่ามันก็ไม่ว่าอะไรเถกหัวมันเอาไม้มาตีมันก็ไม่ว่าอะไร มันไม่มีใจใจคือผู้รู้มันไม่มีผู้ ร, รู้มันไม่มีผู้รักรู้แล้วนั่นละ่ะคำว่าใจคือรู้คือผู้รู้อยู่ในนั้นมันเรามีทุกคนแหละผู้รู้เนี่ยถ้าไม่เชื่อลองเอามือเกาเกาที่ขารอยูย่พอเกาปั๊บมันก็รู้ว่าเออมันเกาตรงนี้แล้วยุงมากัดก็รู้จักว่ายุงกัดนั่นแหะมันมีผู้รู้อยู่ ถ้าคนตายละมันตรงกันข้ามละยุ่งกัดมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงรู้จักว่าใจเรามีอยู่คือผู้รู้ทีนี้คำว่าจิตนั่นคือผู้คิดผู้นึกกับใจนี่แหละใจเนี่ยมันทำหน้าที่มันไม่อยู่เฉยเฉยเราเนี่ยมันดิ้น ม, มันพลานออกไปไปคิดไปนึกไปสงไปายอันนั่นเรียกว่าจิตหนูกู่ท่านเรียกว่าจิต ทีนคนเรามันมีทั้งสองอย่างไงจิตก็มีใจก็มีใจคือผู้รู้เนี่ยมีแน่ๆเหมือนที่พูดแล้วส่วนจิตก็มีแน่ๆคิดใครจะไม่คิดล่ะคิดไปบ้านก็ยังคิดเลยเดี๋ยวเนี้คิดไปบ้านคิดไปกรุงเทพคิดไปที่ไหนที่ไหนคิดไปหน้องชายก็มีคิดกลับไปที่กุฏิก็มีบางคนบางคนก็คิดออกไปข้างๆคิดมีทุกคน่แหละคิดเนื้อ ทรงตายมันมีทีนี้ท่านฝึกฝึกจิตฝึกใจนี่แหละท่างจิตทั้นใจมันอันเดียวกันอันหนึ่งคือมันอยู่แต่เมื่อมันหายอยู่มันเลิกอยู่มันเที่ยววุ่นผ่านน่ะเรียกว่าจิตการฝึกของเราเนี่ยฝึกจิตจิตไม่ใช่ฝึกใจฝึกจิตที่มันคิดมันนึกเนี่ยมันคิดนึกเพ่นผ่านเนี่ยฝึกไม่ให้มันคิดเป็นระเบียบเท่านี้ ให้คิดเป็นระเบียบเสียให้มันคิดเป็นผ่านน้อยลงน้อยลงน้อยลงอย่าคิดตะเปะตะปะให้คิดอยู่อารมณ์เดียวเมื่อคิดอยู่อารมณ์เดียวตอนแรกฝึกสก่อนมันก็ไม่ค่อยจะอยู่ล่ะเพรั้งใจเกิดมายังไม่เคยทําเลยจนกระทั่งตอนนี้มันก็เลยคิดไปเรื่อยฝึกมาอยู่นั่นแหละหัดคิดอยู่อันเดียวหัดคิดพุดโทโธ เอาละครูบาอาจารย์ท่านบอกพุโทโธดีบางตำนักก็บอกจะมาอรหังดีบางสำนักก็ยุ่งนอฟองนอดีเอาเอาเอาเอันไหนอันหนึ่งลำดับพวกเราก็เอาพุโทโธเนียเอาพุโทธโทธพุธโทโธพุทโธพุทโธตอนแรกมันก็ไม่เคยอยู่กับพุทโธแหละสักเดี๋ยวกับเพ่นผ่านแคไหนก็ไม่รู้็เอใหม่ตั้งใหม่ตัง้งพุทโธใหม่ ทำอย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้ออนในที่สุดสักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งมันจะอยู่มันจะอยู่กับพุทธโธมันจะไม่ไป ไ, ปไหนมันไม่อยากไปไหนมันอยู่เพราะเราบอกพุทธโธมันอยู่พุทธโธทันทีไม่ว่าจะเดินไปบินตาบาดเราก็พยายามพุทธโธอยู่กันนั่นเนื้อในที่สุดเมื่อก้าวลงจากศาลา ออกไปจะ บ, บินระบาดมันพุโทโธเสร็จเลยในตัวเลยจิตใจไม่ไปไหนอยู่กับพุโทโธตลอด น, นั่นแหละคิดคนทางจะเป็นระเบียบแล้วเป็นระเบียบแล้วอยู่กับอารมณ์เดียวท่านเรียกว่าเอกคตารล์อารมณ์อันเดียวทีแรกนะ่ยจะรู้สึกว่าต้องบังคับมันอยู่ต้องคอยต้อนทิศนูดด้นต้อนทางนี้มันนึงค่าจะอยู่แต่เมื่อมันทําจนกระทั้งเป็นนิตรใสแล้ว เป็นเป็นสันดานของมันแหละเพราะเรากําหนดพุดโทโธมันอยู่เลยอยู่เองเขาเนี่ไม่ต้องไปคอ ย, ค อ, ย, ค อ, ยอะไรมันเที่ยวจะอยับจะอยู่กับพุโทโธนี่ น, นั่นดีแล้วนีเน่เริ่มดีแล้วนี่แล้วก็ฝึกอย่างนี้นี่มันก็ฝึกดีขึ้นมาแล้วละ่ะคิดจะเปรตจะปะมาคิดมาอยู่พุโทโธดีแล้วดีแล้วเริ่มดีแล้วอันนี้ก็กําหนดอย่งนั้นแหละรับรู้ว่าอ่อนอยู่กับพุโทโธ เท่านี้ไม่ไม่ไม่ต้องคอยต้อนมันตอนนี้มากเพราะมันอยู่เมื่ออยู่เราก็ให้มันอยู่อย่างนั้นแ่ะเพียงแต่รับรู้คล้ายๆกับชำเลืองดูชำเลืงดูรับรู้อยู่กับพุทโธพุทโธรับรู้เบาๆเท่านั้นเหมือนอย่างที่เราฝึกอะไรอย่างอื่นก็เหมือนกันนะถ้าฝึกตอนแรกมันดิน้นโลนอยู่มันก็ต้องดึงแรงหน่อยแต่พอมันเชื่องแล้วไม่ต้องดึงมากหรอก ไปจับเชือกองเฉยๆมันก็อยู่แล้วอย่างงัวควายมา้าอะไรพวกนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเราเพียงแต่มีสติกำหนดอยู่นิดๆขนั้นะ่ะกำหนดป่าออใจพระบจดาอยู่กับพุทโธอยู่ตลอดลรับรู้อย่างนั้นอ่ะมีเราฝึกได้มาถึงตรงนี้ที่นิ่จิตนะ่ะมันมีความดีประการหนึ่งอยู่คือถ้ามันลงเป็นใจได้เมื่อไหร่คือถ้ามันหยุดได้เมื่อไหร่นะ่ะ มันจะมีกำลังมันมีความพิเศษอยู่การออกกำลังของคนมันต้องไปออกกำลังไปวิ่งบ้างออกกำลังไปวิ่งบ้างไปไว่ายน้ําบ้างไปกระโดดเชือกแต่จิตใจเนี่ยวิธีจะฝุดให้มันดีให้มันมีกำลังผู้โดยการให้มันอยู่ทีนี้พอเราต้อนมาเร้วฝุดมันฝุดเริ่มไปตั้งมาอยู่อารมณ์เดียวแล้วมันยังมีอารมณ์เดียวอยู่ แล้วมันจะมีนิสัยอันหนึ่งคือมันวางอารมณ์เดียววางอารมณ์เดียวแล้วมันจะลงไปอยู่เป็นใจทำไมมันจึงวางอารมณ์เดียวเพราะว่าจิตเดิมแท้นะ่ยคือใจเดิมทีเดียวมันไม่จิดมันเป็นใจการที่มันจะลงสู่ความเป็นเดิมแท้ของมันมันเป็นปกตินะ่ แต่ที่เราให้มันคิดไปนู่นไปนี่เนะี่ยอันนั้นคือความผิดปกตินี่พอเราต้อนมามาอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วก็เบาๆแล้วต่อจากนั้นมันจะเผอแค่หนึ่งแล้วมันจะลงสู่ความเป็นปกติของมันคือมันจะลงเป็นใจนี่อาการที่มันปล่อยมันวางพุโทโธแล้วมัาก็เลยไม่มีอะไร ทีแรกมันหลายอารมณ์มันก็มาเหลืออารมณ์เดียวคือพุโทโธพอมันวางพุโทโธแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรพอไม่เหลืออะไรก็คือไม่มีอารมณ์อะไรเลยนั่นมันก็เป็นใจมันจะมีอาการวูบคล้ายๆกับเรามีอยู่อย่างเดียวแล้วก็ไปทิ้งอย่างเดียวเสียมันก็ตกใจจะดุง้งบางทีจะดุง้งถอนออกมาใหม่มายึดใหม่คล้ายๆกับเราถืออะไรอยู่สักอันหนึ่งแล้วเผอ เพอวางมือออกมันก็หลุดตัวโ่หลุดตัวกระตุกคืนมายอย่างนั้นนะนั่นนั่นเป็นลักษณะของจิตที่กําลังจะวางอารมณ์เดียวนั่นน่ะได้จะเข้าไปสู่ความเป็นใจอย่างที่หลวงปู่ว่าในีนีการที่เราฝึกมันสามารถฝึกมาได้เืจนถึงแค่เอกทตารมณ์คือสามารถฝึกให้มาอยู่ที่อารมณ์เดียวอารมณ์พุทโธโธโธเ ท, ท, ท่านั้น และเราก็มีความสามารถเพียงแต่คอยชำเลืองดูคอยรับรู้อยู่เบาๆเราฝึกได้แค่นั้นแต่ว่าที่ฝึกได้แค่นั้นนี่ก็ไม่ใช่ว่าฝึกง่ายๆนะยากอยู่กว่ามันจะมาอยู่กับอารมณ์เดียวมันยากอยู่ทีนี้เพื่อมาอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนการที่จะปล่อยวางอารมณ์เดียวเสียแล้วเข้าไปสู่ความเป็นตัวของตัวเองความเป็นจิตเป็นใจดั้งเดิมเป็นจิตดั้งเดิม มันเป็นเรื่องของจิตเองแต่ละดวงคือเราพยายามดึงมาพยายามฝึกให้มาอยู่อารมณ์เดียวบ่อยครั้งเท่าไหร่ความที่มันจะลงสู่ความเป็นเอกเทศของมันเป็นใจมันก็มีโอกาสบ่อยเหมือนกันคล้ายๆหลังเราเราปาดเราต้อนมาให้มาอยู่ตรงนี้ต้อนมาจะมาอยู่ใกล้ๆรูตรงนี้แล้วโอกาสที่มันจะพัดลงไปในรูในหลุมเนี่ย มันก็มากขึ้นไม่ได้อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือพยายามพยายามฝึกอาใช้พุทโธนี่แหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกให้มีอยู่กับอารมณ์เดียวให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวเรื่อยๆส่วนจิตจะสงบเข้าไปไปสู่ความเป็นเอกเทศนั้นท่านเรียกว่าอัปนาสมาธิตอนที่จะเข้าในเรียกว่าอุปจารสมาธิ มันจะเป็นอั ป, ปนาสมาธิจากอุปจาระเขาปเป็นอั ป, ปนามันจะเป็นหน้าที่ของเขาเองเหรอกอันนั้นแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราคือพยายามฝึกให้มันเหลืออยู่กับอารมณ์เดียวคือเอกคตารมบ่อยๆแล้วฝึกบ่อยๆเขาก็มีโอกาสจะลงถู่ความเป็นเอกขตาจิตคือจิตดวงเดียวไม่ไม่จิตหลายดวงตัานี้เป็นเอกขจาจิตเรี่ยว่าใจมันจะลงสู่ความเป็นใจ บ่อยเหมือนกันจนชำนานถ้าเราฝึกมาชำนานมันก็ลงชำนานเหมือนกันในหน้าที่ฝึกของเราก็ฝึกอย่างนี้แหละฝึกกำหนดโยกุดโธกุตโธบางคนก็เอากุตโธนะบางคนก็เอาลลไม้ใจก็ได้ลลไม้ใจมีนมีอยู่ตลอดเหมือนกันมีตลอดเวลาเพียงแต่เราสังเกตเท่านั้นน่ะก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนหะ มันก็มีพร้อมอยู่แล้วแล้วเราก็มันสังเกตพอมันสังเกตแล้วจิตใจมันก็จะไม่ค่อยไปไหนเมื่อมันอยู่กับลมหายใจนานๆเข้าแล้วมันจะช่ำชองในการที่จะอยู่เมื่อมันอยู่ก็กาหนดรู้อยู่เบาๆแล้วในที่สุดมันจะวางมันจะวูบเข้าไปเข้าไปอยู่นิ่งอยู่ข้างในการที่จิตเข้าไปอยู่ได้เข้าไปอยู่นิ่งอยู่ข้างในได้ จะทําให้เกิดมีกําลังมากเมื่อออกมาแล้วออกมาจากในนั่นแล้วมาสู่อาการปกติยืนเดินนั่งนอนปกติเดินไปเดินมาปกติจะมีความรู้สึกเบิดบานรุ่มฉ่ำร่มเย็นในใจไม่เดือดไม่ร้อนไม่กังวลไม่วุ่นไม่ไวายไม่กระตับกระต่ากับอะไรทั้งหมด น, นั่นแสดงถึงว่าจิตมีกําลัง ใจมีกำลังคือจิตนี่ถ้าได้เข้าไปเป็นใจอยู่บ่อยๆแล้วออกมานะมีกำลังการมีกำลังของจิตก็แสดงออกก็ปรากฏโดยอาการที่ว่ามีอะไรมากระทบน่าจะสะดุ้งน่าจะตเกืยก น, น่าจะโกรธน่าจะแค้นน่าจะเรือง น, น, น, น่าจะวันไหวมันก็ไม่หวันไหวมันก็อยู่นิ่งสบายร่มเย็นอยู่เบิก บ, บ้าน่ ผู้ที่จิตใจถึงความสงบบ่อยๆแล้วจะสังเกตเห็นหรอกว่ามีความเบิกบานมีความร่มเย็นไม่ขุนไม่มัวไม่งุ้งไม่ต้ามันจะมีอาก า, ศารปรากฏอย่างนั้นแม้กระทั่งจิตใจของบุคคลนั้นเองก็จะรู้สึก <Yeah. S 1> บุคคลข้างๆก็จะรู้สึกหมูพวบหมูกคณะจะรู้สึกทีเดียวว่าโอ้มีความร่มเย็นมันมีฤทมีอานาจอย่างนั้นนะจิตใจของคนเราเนี่ย เพราะนั้นเราก็เป็นผู้หนึ่งที่มีจิตใจเราก็มีจิตเราก็มีมีมาทั้งนานแล้วด้วยฝึกเทียต่อไปนี้เรารู้แล้วฝึกเสียถึงแม้ว่าเราจะอายุมากแล้วแต่ว่าฝึกตอนนี้ก็ยังทันยังทันอยู่ตราบใดที่ยังมีวันเดือนคืนปียังมีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสฝึกเราอยู่เนี่ยเรายังฝึกทันนะตั้งใจตั้ง อ, อกตั้งใจเสีย แตละวันละวันอย่าทิ้งเวลาไปโผล่ปากให้ไปเข้าควารู้จักให้ไปออกควรู้จักอยู่อย่างเนี้ยเอาแค่นี้แหละถึงแม้ว่าเราคิดว่ามันจะเล็กน้อยแต่ความจริงมันไม่เล็กน้อยหรอกอันนี้แหละจะพาให้เกิดให้เราถึงความสําเร็จได้ความสําเร็จของเราก็คือเราสามารถมีที่พึ่งมีที่หวังมีที่จะหลบภัยได้ภัยมันกําลังตามเข้ามาแล้วคือแก่เจ็บตายมันชอบที่ไหนแล้วเนะี่ย ความแก่ชอบหรือความแก่น่ะเจ็บใครได้ป่วยในชอบเลยไม่มีใครชอบอ่ะยิ่งตายยิ่งไม่ชอบใหญ่แก้มันก็ใกล้เข้ามาแล้วฝึกใจมันมีทางเดียวนี่แหละมัเป็นมัว อ, อดมัวอ่อนมัวง้อมัวประวัติพระบงกับเรื่องหนูเรื่องพวกเรื่องอะไรทั้งหมดทิ้งเนี้ยมันนั้นมาฝึกใจอดีกว่า